เทศในวงปฏิบัติมันก็จะเทศเปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลามากมายเทศย่นลงมาในจุกสําำคัญนําคัญเป็นเทศร่วงทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่เคยทุกข์ แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนั้นก็ไม่เป็นทุกข์หรือในสถานที่ใดสถานที่นั้นๆั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมจิตของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โรคประหกัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด เพราะฉนั้นตึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดแต่ไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถหยัาประพุทธเจ้ายังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแหนงทุกแห่งทุ ก, ทกชี้ถูกติดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสำคัญนี่แหละ ชาตานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันวะเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่นิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นนิบาศคือผลของสิ่งที่ผุดขึ้นมาได้จากที่โลกชาติฐานหาฐานผิดที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนาจึงเรียกว่าวิบาศก็อยู่ที่ตัวของเรา ครูที่จะผลิตทุกให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองให้เกิดขึ้นที่พระพุทเจ้าท่านเพิ่งสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องลบลีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่ค้นกันไปจากที่นี่ไม่ค้นที่อื่นนี่เพราะอย่างนี้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 แักที่นี้เราจะตำหนิใครก็ตําหนิไม่ได้ตาหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกหลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนะึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเผาเอา ย่อมให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตในฐานเผาเอาเพราะอำนาจแห่งพิเดตาให้หลงเข้าไปให้มันเผานี่ยนี่ถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างปิตุภัณฑ์ที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ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 แล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราท่านท่านที่มองเห็นกันนี้มันผ่านมาจากคู่ที่ ร, รอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลั ก, รกธรรมชาตาิาาตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาที่ตกทอดออกมามันตกทอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันเราทำไม่ทราบความจาก็หายหมดไม่ทราบเราเกิดมาแต่เมื่อไหร่วันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ พอตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่า น, นั่นเป็นพ่อมีเป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ก็อพ่อแม่บอกแเ่ลาเวลาเท่านั้นเท่นี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบเพราะไม่มีทางทราบนั้นมืดมาโดยลําดับนั้นแหละเรื่องจิดมืดด้วยลบความจดจําของตนจะหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องของทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัณฑนั้นอะ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไร ภูเขาทั้งลูกลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ใญ่ที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ ล, บลำบากไม่มีน้อยที่สุดน้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเป็นตรงไม้ล้มทับคนนี่น้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นคือทับอยู่ทุกคู่ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายุนพาเดินพานั่งพานอนพากับพา่ายายนับพานอาหาร ทานุมพระหอมเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับคนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางมันเท่ากันเราอยู่กันด้วยการมันเท่าใจจิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิดมันฟุ้งเฟ้อเหืมไปโน่นไปผ้าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบ้านมโนภาพไปโน่นหวานนั่นจะดีอันนี้จะดีจะดื่นเริงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิดมันเพ้อเพลินไปโน่นเสียงมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนี่แต่ว่าเราเหลงหรือไม่เหลิงของจริงมีอยู่สแสดงอยู่ความ ก, ก็ตกตะคร่นนั้นานในขันอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มัน ก, ก็ตกตะคริ่นตลอดเวลาแค่เราจะหวังว่าความเพเเลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บค่ายได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ ยิ่งทับยิ่งผมเข้อทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกปะะกันเป็นไฟปะะกันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจแล้วมีทำเป็นกรอบเรื่องป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟปะทะกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันได้อีกเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่คิดดูนี่แหละที่เรียก ว, ว่าสงามให้พิจารณาอย่างนี้ แลที่นี่ถึงคาจะตายห่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่า ง, ง, ท, งทั้งที่ทุกข์ความจดจาเหล่า น, นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เด็สาภาวะเกี่ยวกับเรื่องงทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมาก ท, ท, ทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ ท, ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรา เ, าเวลาเจะบไข้ได้ป่วยเขานั่งหนั ก, น, กนี่เป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเขามันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันรับจุดท้ามันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันท่าขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นนี่เราจะตรงจิตลงตงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้กาพรพิจารณาให้รู้เรื่อง ตามความจริงของมันก็ทําความเข้าใจอย่างที่เราทราบในที่เคยแสดงให้ฟังลูกเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนั้นจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเอ็นมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทำไมเราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทําไม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 จุดสุดท้ายของทุกอันนี้มันจะแะดัไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันไปยีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายานั่นแหะเนี่ยหลักสาคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทั้งนั่งนี้แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไปแล้วก็แบกว่าเป็นเงาเป็นของเร า, าการแยกไม่ออกเท่าไรที่จะนามเมื่อเราทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งางหาก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 ถ้าทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยโด้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในท่ามกลางกองไฟก็ตามคือท่ากายนี้เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบประมาณตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแย่เรานั่นเองอ้าวอยู่ในท่ามกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่สบ า, ายแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเท่าไหร่รู้ความรู้นี้ไม่ได้อภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะ ชนะชาติทนตลอดสายอ้าวทนไม่หหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนคน ไ, ไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มาในหลับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัญญาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับทั้งแต่ไหนแต่ใดติดทองเที่ยวเกิดนับตั้ง แ, นนะะงนนแงสนก็คือใจดวงนี้เองเป็นในเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมตั้งตนถ้าเราพิจารณาทางด้งานปัญญานีิขิตของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่ชะทุกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเรา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 ขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ท้งต้นทางคือความเกิดตายทั้งคือความตายกลางทางกคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นมานอย่างที่เราเห็นมีแล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในธาตุในขันธ์มีอะไรที่ให้เป็ความสุขความสบายถ้าเรามาประกอบขึ้นภายในจิตใงเราให้เป็นความรื่นเริงด้วยคุณงามความดีเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันธ์อันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย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 ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพุชินนาอันนี่เหรเดียวว่าเป็นหินรักปัญญาพุชินนาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเรามุนอยู่กับทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันมันแยกกันออกได้เอาตาก็ตาแต่เถอะสมายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนั่นแยกกัน ม, น า, น ม, นม า, นา้ไม่ให้ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ในท่าตในขันที่มันเป็นอยู่ตามลำดับมันมาไม่จิตใจของเราให้เดือวร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธิีแก้ทุกข์วิธีรู้เท่าทุกข์วิธีถอนทุกข์ให้ทุกข์คำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผารวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายพักสุขจิดนี้เป็นสาระอันสำคัญนั่นเลยมีแต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้น สงนรักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องของร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลงไปของเขาจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่จิ้หายเพราะการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความพื้นภูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงเขามีจะทรงตัวไว้ได้ ด้วความภูมิใจของเรานี่จิตม่วมมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาร ะ, าระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเจอะ่างกายแตกแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วอยู่ได้รับธรรมชาตตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้นในแล้ ว, ลวเป็นผู้ปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเลยเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักสั้งผ่นเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข่มข้นจิตใจของเราตายตายให้เป็นอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิม ใครจะท้อถอยไม่ท้อถอยประมาณนั้นก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท้อถอยนอกจากจะจมาทับผมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เรียาสงฆามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรเราพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกทั้แท้จริง ที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันคือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เท่านั้นไม่มีอันไหนที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครเออสินท่าอากาศพวกอยู่การะเพาะมังเขาแต่ผู้รับกองทุกทั้งหลายก็คือธาตุาคือขันคือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับถึงอย่างนั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์ ร้อนมากหนาวมากลรายุ่งไปหมดเอาหน้นเราเจ็บนั่นปวด น, นี่นั่นท่านนั่นขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรตัวเดือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอันนี้จังทุกขั้งนันกตาไม่คือโรคแค่นิดหนึ่งมีแก่นลวงเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้อย่างไรอันใดที่มีมันต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันนันก็ไม่เสียทาาเสียทีให้เขาเราพิจารณาดังนี้จิตใจเรายิ่งจะมี คาเด่นรวมขึ้นมาโดยตลอดเกิดความกล้าหาญทองใสก็ชัดเจนกลกาหาญก็กลาหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปวันไหรกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในจิตใจอืมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจ น่าจะอยู่ในทถ้ำคลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมรวมเสียหายไปเพรพเาะทุกขเวทนานั้นเลยถ้าเราไม่จะทำคํามเาีแต่เราเพราะคําหลนงนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนี้โลกนี้มันโลกเกิดโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใด ไปที่ไหนมันก็มีปัดช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกติดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเมือ่อมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็นกนไว้่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงนี่นมันเท่ากันหากพิจา้ณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นแหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวตลอดภัยได้อย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยกับตนเเราเชื่อที่เลตและเชื่อมานาคราว น, นี้เรากําลังทายเทวิเลตออกทำรอบทำรอบปอกที่เลตออก้เชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าจาิตศาตร์ไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปิบัติตามพระองค์แล้วแข็งข่ากลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาแยกย่ำทําลายจิตใจดูก็เป็นสุข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 มันจะร่ำรวยไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจที่ไหนก็สบายมีอำ น, นาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดแมในพลกนี้ได้พบพระวุฒิศาสนาในพระวุฒปฏิบัติเป็นมสติกําลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้ไไดไนั่นแหะร้อยจะหาทั้ง สักหนึ่งมันมีหรอ้อว่าเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยตั้งต่อหนึ่งมันต้อง ม, มีน ะ, ะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอื้อทั้งหมดทั้งโลกทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจ อ, อแล้วมันจะเจอได้ยังไง ห, หาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว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 เพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาเครื่องนำเนื่ยถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในิตใจของสัตว์ู้มีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำบากผู้ไม่นี้นั่นสิหลักใจไม่มีเรือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสรลนะของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นชัลนะทาแล้วก็หมดคุณค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็วไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีนั้นทวีตนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้นูน้นเอาจิตใจไปไว้กันูน้นพอน่นสลายไปหมดท่าที่นั่นไม่สลายเวล า, จ ะ, ลาจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียว่าคันขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งพนานจิตกัน พึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอทุกวนพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสาคัญขึ้นภายในใจิตใจที่เรียกว่าอัตตะสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในใจิตใจข้าตนอันเป็นทรัพย์อันตรสุนี้ให้สมบูรณ์พึงศุกขึ้นเดิมหลักผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทางงั้งนั้นความลําบาก ล, ลําบนเราอยากถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นมันอาถือว่าเป็อารมณ์จะเป็นรูปสรกต่อการอํานินของเราอันใดที่็มันเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามอันนี้เล่มขวัญขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นสัญญาไว้แล้วกับเรามาต้องตายแน่ๆนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นสัญญาไว้แล้วตีกลาไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีปันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้ เฤทยจะตั้งแต่บัดนี้อเชวะกิจจะมาตัดปังโพธัญญามังนังสุเวทนะเห็นโอสร่างดันเตยมาห้าเตยหนึ่งมาตนม า, นาควรทำจิตที่เป็นผลเประโยชน์เป็นสาระสำคัญแต่นตนเสียในวันนี้ไม่ควรคำหนึงทึ้งวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามาจุราชนั่นแ่ะไม่ได้กำหนดในเรื่อเวลาว่าจะมาเมื่อไรถ้าสายบ่ายโมงอะไรไม่วนะ่า แต่ว่ามีทางที่จะรอดพ้นไปได้ปัญญาชี่ยจะหนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่ยยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต้นงต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายจะไม่มีนั่นเป็นไปไได้ถ้าเราทีอยวในแบบนี้อย่านอนกจ การคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราจะไปซ้ำขานันหมายอย่าหวังแปลความสุขความเพรินกับมืดกับสว่างนั้นหาว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงๆแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์จิตเต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพนั้น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 เือความนับสายความทาความเปลี่ยน้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกําจัดสิ่งที่มืดมนอันตการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายานา จ, จิตใจทุนั่นแหละการคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นน่นนันว่าคือมีความสว่างสว า, ายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้โยมมาเป็นกลางวันกลางคืนดูที่กาย น, นั่นแหละคือผู้มีหลัก ผู้มีอริยสัพพะผู้มีความสุขชุกอยู่ที่จัจการแสดงก็เห็นขึ้วราจึงขอริ้จกกันตรงนี้น